อุทธึงความเพียร น, นะอุทนร่งกิเลส น, นะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อนนี่มันเป็นเรื่องฝื้นฝืนเหมือนกันคือเป็นลักษณะฝื้นฝืนอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน วความเด็ดเดี่ยวอาหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญาเนี่ยไม่ค่อยแสดงให้เห็นหนีเ่เองที่มันทําให้หนักหนักใจอยู่หยับยากก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาให้รอบคอบถ้าใช้บ้าง ความเคลื่อนาี่ล้วนั่นก็จะไม่ค่อยมีนี่ที่เคยดุดาว่ากล่าวท่านเน้นอยู่เสมอเป็นข่อเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั่นคือความบกพร่องของพูดนั้นคำพูดแสดงออกมาเป็นความรอบคอบหรือไม่รอบคอบมันมันก็มาสะดุด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 เรืองนนนี้มันไม่ผิดกันอะไร ม, มันเหมือนกันสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัวยอมแคบขาดปลอดภัย ในกิตใจก็ดีหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องสติปัญญาจริงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็ส่องมาจากภายในวิเลศที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดทำละแก้ได้ด้วยความรอบคอบที่แสดงออกนี้ ถ้าความรอบคอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนําไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกันความรอบครอบข้างนอกมีมากที่จะนําไปแก้ภายในก็ต้องมีมากและมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำํำดับนี่มันสอดถึงกันอยู่เสมอการแสดงแสดงออกมาภายนอกเป็นปรเรื่องประกาศ ความโงค่ความฉลาดของตัวเองยังได้เตือนเสมอพระเนงดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสำคัญที่มาชุมนุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้ว่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สาคัญเพราะเรามุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูด เมื่อพูดพูดนี้แม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็อาจจะคิดปรเด็นแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราแม่ผู้ฟังจะได้คติในขนาดนั้นเท่านั้นท่านจึงเน้นลงไปเสมอว่าสติปัญญา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 มีน้ำท้ำยังทำให้งานนั่นผูกพลาดไปด้วยแค่ทำให้ผู้อื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกี่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสำคัญเราที่ยินในวงวัดหนึ่งก็พอทราบได้วันใดถ้าครูวาัาอาจารย์มีความเข้งมงวดกวดขันกับพระเนนดูพระเนนวัด น, นั่นก็น่าดูาวันไหนอาจารย์ใจดีไม่่อใจ อะไรกับพระกัมเนินก็เป็นเพ่นผ่านผ่า น, านดูแล้วก็ไม่ น, าน่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านอีกด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเร า, มาจจไม่กล้าจะวินิจฉัยอย่างวัดท่านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเคข้งงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนนี่ มันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียนยุทหมายมาัลยเหมือนกระพามงโวใจเป็นอย่างนั้นพรวาตาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วยกิริยาที่แสดงออกทุกเนี่ยทุกมุมมีความหมายไปหมดที่ออกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นทำทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกจ่ต้องมีความหมายไปทั้งนั้น เรื่องที่จะเป็นโมฆะแสดงของเฉยๆนี่รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำและประโยคเป็นคติจะพูดทีเล่นทีจริงมีธรรมะสอดแทบมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัตบังธรรมจากท่านจะได้ฟังอยู่ทุกระยะที่เคลื่อนไหวของท่านนอกจากแบบที่ว่า ไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นไม่คอยสนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็ เ, เลยถือเป็นธรรมดาเนะียบางทีท่านพูดที่เล่นที่ริงก็เลยทำให้สนุกสนานลุ่นลึงไปเทียโดยไม่คิดหาเหตุหนาะผลพอจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยอันนี้มีจำนวนมาก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 จะกลัวไปไหนคนในโลกนี้ป่าช้าเต็มตัวนั่นจังดิฉันมาไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําให้เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์โทดความโง่พาให้ตายน่ะตายด้วยความชั่วลตายด้วยอัตถิธรรมพระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยเสนเสริญมากจึงสอนพระลูกบุเรศนาสนางังไปหาอยู่ในต่นไมช้ชายเขาที่ไหนที่จะเป็น ที่บาเพ็ญได้รับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นฟังดีนะพระพุทธเจ้ามไม่สอนคนให้สอนพระไปให้ตายนี่นะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบําเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงแนะนําเหตุผลที่เคย ป, ปฏิบัติมาและได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายทําไมเราจะกลัวจะ ต, ตายแล้วหนีพ้นไหมล่ะความตายน่้ เวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงๆไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆนั่นแหละเป็นที่ทกิเลดจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี่ขลาดากลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปสั่นเทาเท่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม้จะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในป่าก็เป็นแบบนั้นอยู่ในกัหมู่ก็คณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเกา่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานอีงเวลาท่านพูด น่าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่ออัตถธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นๆล็ก ๆ, ๆ, ๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุกประสาทปลุกจิตปลูกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านะทั้งทั้งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวท่านในจิตแล้วไปก็นั่นแหละอันนั้นแหละเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหละท่านอาจารย์มัน่นท่านไม่ เราสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อตอัตตธรรมเอาเธอความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมดาทาจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งให้พินิจพิจารณาปุดคน้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจจิตมนก็ห้าวหาันเสือก็หุ่มก็ห่เมเนี่ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือ เสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายนี่เราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหารนะความอาหานนี่มันเลยไม่กลัวทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อนี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลูกจิตปลูกใจให้เกิดความฆ่าหารเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้น เราเคยพิจารณาในทำแง่ใดก็พิจารณารมแง่นั้นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิกําหนดให้เข้าสู่สมาธิสมาธิที่เดินไปได้มาได้ธรรมดามีคือให้เป็นความสงบอยู่ภายในจิตใจไม่ส่งไปข้างนอกหาสัตว์หาเสือที่ไหนแล้วจิตก็แน่นเหมือนหินทีเดียวมันเข้ามาฐานให้มันแล้วทั้งที่คิดว่าอ่านได้อยู่ก็ตามมันก็ไม่กลัวเดินโยกมือได้อย่างสบาย ไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสละความตายเสียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับเป็นภาคที่งริ้วผืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในะส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะเอาม า, าไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเนื้อจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งนั้นเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หืมก็หืมก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็ฉันโลกอันเดียวกัน เคยอยเก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี่หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาดหานเรื่องเลื่องในอัดในธรรมสติสตางอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนครูมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือทำอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้ว ที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอาหารก็ได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความทรมานอย่างยิ่งอดหารได้ไม่ใช่มันอาหารขึ้นมาเฉยๆอดหารด้วยการฝึกผลทรมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปความกระหารเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายาสัตว์ไร้ตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลย หมุนดูกับทมความสง่างาผ่าเผยภายจิตใจองค์าอาจกราหารอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชัช่วโมงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบก็แน่วลงไปเลยวเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติวติวตวินี่เป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกัน แต่พอถึงขั้นปัญญาล้วนๆแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาอเรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแหละมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละไมสนใจกับสัตว์ตัวนั้นเป็นภายสัตว์ตัวนี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในจิตนี้ล้วนๆนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่สนใจของจิตออันนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไปไหนไปได้หมดไหนคำหนึงคำนวลไม่ขาดหนาขาดลังว่า สถานที่นั่นจะลำบากลำบนสถานที่นี่มีสัตว์มีเสือไม่คำานึงไปที่ไหนมีแต่ทากับใจหมุนกันเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายมงไม่เลยนใจทั้งนั้นหมุนกันอยู่ตลอดนอกจากเวลาหลับแค่ เ, เท่านั้นาการฝึ ก, กจิตฝึกอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายป่าช้า คนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้อไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตายก็ตายไม่จาเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพาเผาเหมือนกันสตัดตายอย่างในโลกไม่มีใครไปเผาศพมั น, นเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะมัเปน่งนั้นจิดนี่คือความปลุกตัวเองตานั่นก็ตายนีตายไปแล้วเสียดายมันอะไรหัวมันอะไรมันตายมันใช้มาได้แล้วถึงตายแล้วเป็นหัวอะไรอีกหรือหัวสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะ เวลาที่ใช้ได้นี่ใช่ที่เราจะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มเม็เต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจออุบายวิธีปลุกตัวเองกินก็ห้าวาหารอยู่คนเดียวกับรุ่นเึิงรุ่นเริงพาณนะจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริง กับสิ่งทั้งหลายอยู่มากรื่นเริงกับสิ่งนั้นสิงนี้เมื่อสิ่งนั้นทิงนี้หายไปหายไปหรือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพราดลาดจากกันไปแล้วกระเศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารื่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงอดอีมก็รื่นเริงความทุกข์ความลําบากเพราะการปุดทรมานมันก็รื่นเริงเพราะรื่นเริอยู่ที่ใจใจไมไ่เจ็บท้องปวดหัวงเหมือนกับร่างกายนี่มันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเจียดแทงต่างหา ก่อนเรามีความเพียรปราบยิเรลียดตัวเส็จแทงอยู่โดยสม่ำเสมอยิเหลียดตัวไหนจะมาเสียแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทำให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไข้โดยยิเลียดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบยิเลียดอยู่ตลอดเวลาท่านบําเพนครูบาอาจารย์ผูิจัได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมาก มีแต่สมบุกสมบันมาแทบล้มแทบตายจนชีวิตรอดมาแล้วทําชุนโผล่ขึ้นมาแล้วได้นำมาอวมสั่งสอนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมากพราะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผู้ที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้วพอแยกออกก็รู้ก็รู้เห็นเราทิสายวาสนาของเราเป็นอย่างนี้จะทาให้เป็นแบบท่าน ถ้าได้ผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสัยการนําเพนมาต่างกันยากก็ต้องทําแก่เราง่ายก็เอายากก็ทํารับหมดภาระที่มีในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นคนแก้เราเองอัตตาหิปานุลาโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นามาใช้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 ไม่ไดคิดจะพึ่งตัวเองที่นี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนำสั่งสอนจากพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาเอาธรรมเข้าไปแก้ไขตัดแปลงหรือฝึกฝนทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นนานๆนา น, น, นเวลานี้ให้ย่นขมาตรงนี้วังพึ่งตัวเองอยู่สเสมอจิตใจเราจะมีความเข้มแข็งเราจะพึ่งคล้ายๆทั้งนั้นแหละ ถ้าเข้าถึงธรรมแล้วให้จิตตัดบทไว้เสมอเสมอพึ่งเราโง่ก็เราจะทำอะไรให้ฉลาดล่ะฉลาดท่านทําให้ได้ให้เกิดฉลาดได้ด้วยอุบายของการพิจารณาทําไมเราจะทําไม่ได้พยายามทําให้ได้หวังพึ่งเราให้ได้วไดความหวังพึ่งตนนี่แหละเป็นพลังสําคัญหนึ่งของจิตมันไม่คิดสายแสบไปเอน็นไปนู่นเอ็นไปนี่เพราะให้เสียเวลาเวลาแล้วเกิดความทุกข์มาเปล่า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 ทั้งทั้งที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามน่ อ, อธรรมชาติของมันแต่เรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆมันไมไ่มาเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกบไปหามเพราด้วยความรูปหนงของตนเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่และอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี้ไป ทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนก็ทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สลายตัวของมันไปเองจิตของเราอย่าไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความลำบากแบกหามแล้วนยังด้วยอํนานาจอุปาทานก็เกิดความทุกข์นาภายในจิตใจห่างกาแตกยังไงแล้วจิตใจยังหอบกองทุกข์ไว้ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในภพหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ล้นล้วนด้วยความหลงตัวเดือไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟ ไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหามายของตนว่ามันร้อนทําไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนจากตนเองเราร้อนใครทราบมันร้อนจะไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อย่าไปยึดนั้นรู้ตามเรื่องของทุกข์แง่เรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็าตามด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะ น, นั้นตามเรื่องของขัน ใจแล้วกับเย็นสบายเพราะความรู้เท่าทันกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาด้วยความรอบครอบเถิดจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ายังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทรกเข้ามาตรงนั้นจนได้เราะนั้นเราจึงต้องฝึก ฟิตปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทำลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันร่นร้วนก็ทราบมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ า, าวรูปกายคือกองท่ากองขันอยู่แล้วเหตุทนายเรื่องความสุขความทุกข์มันปรากฏขึ้นไป จ, จิตใจนั้นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วนี่ยจิตผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้ว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 มันหิวกับพระกินเสียนหายกับพาดื่มน้ําเสียห่วงเงาห้องนอนก็พานอนเสียแบบเปลี่ยนยาเบิดก็เปลี่ยนไปเสียนี่พาราฮาเวปัจจักขันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมันมีมีอะไรที่มากาะควนในโลกนี้โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรมากาะควรไม่เห็นมีอะไรมาเกาะควรนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่เกาะควรอยู่ตลอดเวลา เก็บนั้นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดยวก็หายเก็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพาราฮเวปัญจากขั้นฐานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักเพราอุปทานเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัว วิือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกลายแสนกลายมากอย่างไรก็เกี่ยวเนื่องให้ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเหมือนสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่า น, นั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบภูมิกิเลสอยู่ก็อ้าก็มีกิกเลสเป็นตัวการแยก่ก่อกวรให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน ว, ว่าแต่คอามมืดมันละเอยดก่อขวนเน่ยตัวนี้ก็เป็นตัวความมืดตัวหนึง่งคือตัวอาธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีภายในจิตใจของเราจะสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กๆน้อยๆยมันพยายามมาทําลายม า, มากรีดมากันมีเลไไื่อยไปเนี่ยนี่นี่ยตัวสําคัญตัวบาตรตัวกรรมตัวเทวทัตมันอยู่ภายในจิตใจจนถ้าพยายามปราบ ตัวเทวธาตภายในตัวของเรานี้จะไปตะจำหนิเทวทัตุโน้นเทวทัตภายในตัวของเรานี่แหละมันมาทำทุกข์แกเราเทวธาตุน้ท่ามันเลมาทำให้ใครเทวธาตุที่อยู่ในเรานี่แหละมันทำลายเราอยู่ตลอดหี่กัารลุยแยก่ yeah. กอควรหลอกลวงปิ่นปล่อนในชาวกะีเนี่ยกี่มุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทบกตัวนับไม่ได้ด้วยกลมายาของกิเลส ต, ตัวเทวธาตุนี้ ฉะึงต้องแก้ทีน่นี่ตราบกันลงที่นี่ตัวข่าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพิพิจารณาโดยเอาธาตุอาขันเป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ยทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกเนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ย้าเหตุที่มันจะเป็นทุก ข, ข์ของขันของธาตุของขันนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ย สาเหตุอนหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นสิ่งที่ช้อนใายมันอยู่ภายในนั้นรบกวนรือดังแกมอยู่มันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชราปิดดูขาพยาธิปิดดูขาเคลื่อยไปมันนำไปดูขังนั่งว่าไปความเกิดเป็นทุกข์ชราพยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กษัตริย์เป็นอย่างนี้ทันว่า เราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไระทําขั้นละเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาญยาธิมันก็เป็นตามเรื่องของทายของขันใครไปหาเรื่องหาลาวอ่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ตัวนี้แหละตัวก่เกิดก่อเหตุให้เกิดทุกข์นั่นตัวสังขารตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลศเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกข์เกิดคือตัวนี้เอง หมุนเข้ามาที่นี่ลงท่านลงขันก็ไกลไปเสียหนึ่งเรยว่าห่างไปแล้วแก้เข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสําคัญของมันคือกิเลสมันอยู่ทายในจิตวาดภาพหลอกเราโน้นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของ ม, มันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่นี่พอ <c oughs> ถึงเอากระจกขวางหน้านะมองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะพาเกิดกับตัวนี้พาแก่พาเจ็บพาตายเป็นพบเป็นชาติเป็นธาตเป็นขันก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันมันเป็นส่้นเป็นนิบาศคือผลของมันก็เป็นกากไปเสียสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วพายใจิตใจเหนี่ยมหาสมบัติคือจิตของเราที่ผ่องใสและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็น ชั้นชนขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความมุจุดยิ่เรียกว่ามหาสมบัติเต็มภูนี่หละเป็นสาระสำคัญภายในตัวของเราไม่เท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากนกเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในท่านในขันมันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผลสูงต่ำในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้นีมีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิต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 ลบกับวิเลตนี่นะเป็นนักรบสู้วิเลตซึ่งเป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบกามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยอีถึงแดนอังกษมท่านว่าถึงแดนกเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นภัยแล้วมันก็หมดเรื่องกันท่านั้นน่ะ ท่านก็ยกขึ้นเป็นสมมติว่าถึงแดนกระสเห ม, มือน่าเก่าไปถึงแ ด, ดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศิกจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันกระแสขึ้นมาภายใ น, นตัวเองอันนีแ้แดนแดนตรวนู้อ่อทาทำยั